เพิ่มเติรรมแน่นอนที่สุดกับการศึกษาธรรมนามาจับหลักต้นต้นของพุทธการของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่เสียเวลาในการศึกษาธรรม พระเจ้าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่สะรู ต, ตรงไหนทำอะไรเราไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้มันเชียวเวลาเรามาศึกษาตอนที่พระองค์ได้เกิดผลขึ้นมาปฏิบัติยังไงทำให้เกิดเป็นพริเจ้าเป็น ผู้ตัดสลนุสิญพกชิ้นชาติในวันเพ็ญเดือนหกหลังจากการศึกษาทดสอบวิธีอื่นๆตามทฤษฎีของเช่ไหไมนั้นมีมากจากกลัวจร ถ้าเราไปดูล่องลอยหลังพอออกบวดก็ไปศึกษาที่อุอุเราบททั้งสองอุ๊ลุลากืมจับไม่ได้ธุระดาบทอาดาดาบท เป็นครูใหญ่ๆสองลูกสมัยนั่นนะดังที่สุดเป็นภูเขาสองลูกไปดูล่องรอยตามแผนที่ขี่มาจากกาบินละพัดกู้จะถึงแทบรอดา ะ, ะคือเนี่ยไม่ใช่ใกล้เลย เป็นภูเขาสองลูกไม่ห่างจากนหลังชลามากดักอาจารย์ทั้งสองอยู่ภูเขาคนละลูก <c oughs> ได้อาจารย์ลูกแรกได้ฌานสมาบัติจิตไม่พอใจไปอาจารย์ที่สองน อืลาดาบทอุทกดาบทอุทกดาบทเจ้าี้หนึ่งอาลาดาบ ท, อ, ท, อ, าาาบทอาจารย์ที่สองได้ฌานสมาบทแปดจบการศึกษาที่นั้นอาจายจันทั้งสองไม่มีอะไรสอนอีกกสิทธะไม่พอใจ เมืใ่ใจได้ฌานสมบัติแล้วยังยังถือว่าไม่สำเร็จด้วยความหมกมุ่น ค, ค, คิดอะไรอยู่เวลาอยู่ในฌานก็สงบดีเวลาออกจากฌานก็เหมือนธรรมดา <c oughs> ต้องประคับประคอง มีการมีเวลาออกเข้าล่อยลาอาจารย์อาจารย์ทั้งสองขอร้องให้อยู่ให้สอนลูกศิษย์จำนวนมากช่วยกันไม่อยู่ไปรัดชายโภเขาดงคาสิลิไม่ไม่ใช่ใกล้จากวกเขสองโลกไปดงคาสิลิ ต้น้ น, น้ำในรันชลาสแสวงหาด้วยตนเองเอาตัวเองเป็นหลักเอาขาศรจากตัวเองไม่เหมือนศึกษาทางโลกทางโลกต้องประท่วงอาจารย์โนดอาจารย์นี้ <c oughs> ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้สถาบันนั้นสถาบันนี้พระเสียเะไม่มีแบบนั้นเราตัวเองเป็นที่ตั้งเรก็สอนของท่านอย่างนั้นเราก็เรียนอย่างนั้นก็เลยมาศึกษาด้วยตนเองตามที่เราได้สวดสัตย์ใหญ่ก็สูตร ที่พระองค์โดยลำดับเกิดจากอะไรตรงไหนเอาความที่วันถูกต้องมาสอนสาวกเราได้ฟังพระสูตรรวมเพียรชอบตั้งความระลึกชอบไปปลายมาสอนพระสอนสาวก องในคนพบที่นี่เริ่มต้นก็ในพระสูตรก็ตัดไว้การคู่แฉนเข้ามีสติการเยี่ยเฉินโอกมีสติจากศึกษากวาจา์ทั้งสองแล้วไม่ได้ทำตรงนี้ไม่เอาแต่จิตข่มร้องไปจนได้ชานสมาบัติ วันนี้มาเอากายเป็นตําลาเอาใจเป็นําลาอ่านชู์เฉิเข้ามีสติอานเหยียเฉินออกมีสติอานเดินไรข้างหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกมีสติยืนเดินนั่งนอนมีสติเอาอยู่ที่นี่แน่นอนละ่ะเอากายเป็นําลาเอาจิตใจเป็นําราเอาสติเป็นนักศึกษาเข้าไป ต้นตนตรงนี้นอะไรที่ทําให้เห็นตรงนี้ส่วนประกอบก็คือมีความพอใจสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นกับเรื่องนี้อย่าไปหลงตรงนี้มีสติสมัมปชัญญะหรือว่ามีความพอใจแล้วไม่พอต้องมีความภาคเพียนเข้าไปอีก ในความภาคเพียนเข้าไปเพียนประกอบมีความพอใจแล้วเมื่อว่ามีความเพียนประกอบให้มีสติไปในกายอยู่เป็นประจมจิงใดที่ไม่ใช่กายไม่ไม่รู้ ก, กายเกิดขึ้นถอนออกกลับมาหากายบางทีมันก็มีความพอใจบางทีก็ไม่มีความพอใจเกิดขึ้นถอนออก มีสติเข้าไปให้รู้เข้าไปเอาหลงเป็นรู้ไปมันก็มีคู่กันมีหลงไม่รู้มันจะหลงไปจากกายไปทางอื่นอาจจะคิดไปต่างๆนา น, นาขณะที่มีความเพียรอยู่เนี้ยมีความพอใจอยู่นี้ก็พอใจก็มีบ้างไม่พอใจก็มีบ้างถอนออก ให้กับมาลู่สึกตัวแล้วก็มีสติมีสัมชัญญะเวลาเปลี่ยนเครื่องหลงเป็นความรู้เพื่อย้อกะโกชนที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นมันกเนเนนนน็เปลี่ยนไปได้เวลามันหลงรู้ขึ้นมามันละไปเปลี่ยนหลงเป็นรู้ ความหลงเป็นอกุศลความรู้เป็นกุศลเพื่อสร้างกุศลเกิดขึ้นพระกุศลที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างกุศลให้เกิดขึ้นต่อไปมีจิตตเอาใจใส่เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นก็ขณะที่ทำมันไม่ฟรีมันมีอะไรที่ที่แสดงให้เห็นอยู่ เวลาใดมันหลงลู่ขึ้นมามันเป็นอย่างนี้แล้วกม็มีเอาจิตใจใส่เสมอในเรื่องมันหลงอย่าปล่อยทิ้งมันหลงลอยข้างลู่ลอยข้างมันหลงผ่านข้างลู่ผ่านข้างเรีว่ า, าเอาใจใส่เมื่อสัมผัสความหลงเมืสัมผัสความลู่ มันก็ต่างกันอยู่มันไม่ใช่ต่างกันมันต่างกันอยู่การเห็นความรู้เห็นความหลงขณะที่มีสติสมชชัญญาหน้าหนาวมันก็เป็นก า, การการคลองการสัมผัสการตรองหรือว่าวิมังษา ติตรองโดมันไม่ใช่เป็นภาษาคำพูดมันอยู่ในการกระทานั่นเองในพระสูตรเราพูดแล้วก็คือมาเขียนเป็นตัวหนังสือให้เรียนเป็นหลักสูตรนักธรรมเรียกว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้าใครมีทำสี่อย่างนี้ดีว่ามีความสำเร็จ สิ่งที่ทำให้สําเร็จได้ทาที่ทําให้เกิดสําเร็จทํำพาให้ทําให้เกิดสําเร็จมันหลงรู้ขึ้นมาเปลี่ยนความหลงเปลียนความรู้เนี่ยสําเร็จสําเร็จก็สําเร็จมันก็จบได้อาจจะเป็นขั้งสุดได้ได้ระหว่างหลงระหว่างรู้เพราะหลงมันไม่เป็นธรรมความรู้เป็นธรรม มันน่ากระตือนลดกันตรงไหนขณะที่เราเป่าลูกเพืมเพียรเนี่ย ม, ม, มันไม่มันไม่มีมันไม่ใช่ไม่มีงานมีการงานมันดีงานอันชอบที่สุดเตียนหลงเป็นรูปเป็นงานชอบที่สุดเลยไม่ต้องไปถามใครเป็นจัจจะธรรมสัมผัส ด, ด้วยตนเองให้ให้มัน ใส่ใจทักหน่อยตรงนี้นะมันมีรสชาติมากทำให้เราก็ตื้อ ล, ล้นก็ตื้อ ล, ล้นจนสั่นนะมันพอใจนะขณะที่เปลี่ยนความหลงนะที่แรกก็พล่าพราะาไม่ชัดเหมือนเราด้านด้านต่ออย่างนี้มานานเหลือเกินอยตั้งแต่เท่าไหร่มาจนถึงวันนี้มาทำความเพียนเะนี่ย เหมือนฝ่าเท้าของเราที่มันเคยใส่รองเท้าเหยียบอะไรก็ไม่เจ็บใจของเราที่มันด้านต่อความหลงต่อความโกรธความโลภความทุกข์เนี่ยมันก็เหมือนกันกันกบฝ่าเท้ า, นานหนาหนามันหนาการหนาในเรื่องนี้เรัยวปุถุปุถุชนปุถุไปว่าหนาไปว่ามืดไม่เห็น เดี๋ยวนี้เราไม่เราไม่เดินเท้าเปล่าไหลองเท้าก็ผ่าเท้าก็อะไรก็สัมผัสได้ง่ายสัมผัสได้ง่ายเจ็บก็รู้ประสาทแห่งความรู้สึกตัวนะมันไหวนะถ้าเราฝึกดีๆอันถ้าเราไม่ฝึกก็ดานนะหน้าด้านดานอยู่กับผมหลงนะ บางทีหน้าด้านอยู่กับความโกรธก็มีนะมีไหมไปโกรธให้คนเห็นมีไหมไม่น่าดูเลยนะบางทีคนที่โกรธก็ไปอายหน้าด้านจ่แดงออกได้เชี่ไม้ชี่ยมือกำมัดกัดพันเสดแดงในความไม่งามออกมาให้คนเห็นได้นี่เรียกว่าคนหน้าด้านหน้าภายในหน้าในของเรานาะ ความหลงก็เหมือนกัดความโกรธความทุกข์เหมือนกันถ้าเราได้ฝึกแล้วมันไม่ล้านนะอาที่มันหลงไปรู้ขึ้นมามันก็ถอนเอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้เด็ดขาดเลย ง่ายๆเวลาไรนที่มันหลงปั๊บไปมันมันเปิดเพื่อนมากเลยว่ะมันเห็นเนี่ยการเห็นควงหลงที่มันเกิดขึ้นน่ะที่เราเปิดลุกขวัญเพียนนวเหมือนกับเราอาบน้ําเราเดินทางมาเหงื่อไหลใครย้อยเปิดเพื่อนอะไรมาอาบน้ําเสร็จมือมันต่าง ก, กันกับที่ยังไม่ได้อาบน้ําเลย เวลาเปลี่ยนหลงเป็นลูเมันต่างกันมากนะแล้วการอาบน้ำเนี่ยมันก็บ่งบอกทั้งความสอาดทำอะไรที่มันสกปกออกหรือเราแปลงพันกินข้าวอีม่มไม่ไม่แปลงพันมันเหมือนเหมือนกับมันนันลุกลงหลังอยู่ล้าแปลงแล้วมันเบาๆบมันเบา มันอดไม่ได้ที่ไม่แปลงฝันเวลากินข้าวแล้วเนาะชงสกโผกเกิดขึ้นในร่างกายมันโลดไม่ได้ที่จะไม่อาบนะ้ําหนาวเท่าไหร่ก็อาบ <c oughs> ไม่ว่าหนาวนักเหนื่อยนักในเรื่องอย่างเนี้หรือเหมือนเรากินข้าวเนี่ยเวลาเราหิวเนี่ยต้องหายกินให้ได้นั่นมีมันมีวิญญาณ บินยางนทธาธาตแต่ใช่ถูกก็เป็นเป็นพุทธะไ้แต่ใช่ผิดก็เป็นพุทธะไม่ได้ธาตุของเราเนี่ยบ่อยให้มันทำหน้าที่ดีๆให้ดูดีๆดูซิมันช่วยกันนะธาตุหกนะไหนใช่ธาตุสี่นะธาตุสี่นี่มันยังไม่ยังเป็นพ่วงแผ่อยู่ เราธาตุหกเราเนะ่ยมันมันขับเคลื่อนได้สู่จุดหมายปลายทางเหมือนแพลที่มีธาตุสี่ยังไม่มีคนขับมันก็ไปไม่เป็นเวแต่อะไรจะพาไปเหมือนกับลมพัดไปทางได้ถ้าถึงธาตุหกเราเราไม่เกี่ยวพูดถึงแต่ธาตุสี่ไม่เลยต่อถึงธาตุหกเลย ้าโถ ก, ก็เติมลงไปแล้วว่าอากาศธาตุช่องว่างๆางช่องว่างว่า ง, ง, ง, างที่มันเกิดไหลได้เหมือนเกิดกาบเนื้อเราไปช่องว่างมันเกิดไหลตรงนั้นได้ไหลไปตามช่องว่างแล้วก็วิญญาณธาตุมันรูอะไรได้ ในวิญญาณธาตุมันรู้อะไรได้เนแล้วมันรู้อะไรได้น่ะนายอยู่เกิดมันรู้อะไรได้วิญญาณธาตุนะมันเจ็บมันก็รู้มันรู้จักช่วยมันหิวมันก็รู้รู้จักกินมันผิดมันก็รู้มันถูกมันก็รู้เดี๋ยวนี้ถ้ามันไม่รู้มันก็ไปติดอันเดินจนเป็นขัดหน้าวิญญาณ ติดหลงก็มีหลงก็ติดหลงมีโกรธก็ติดโกรธมีทุกโกรติดคุกมีรักก็ติดรั ก, ม, ก, ก, กมีเกียดชังก็ติดเกียรตชัง่งน่าจะไม่เปื้นะมันติดได้อวิญญาณนาตเนี่ยถ้าเราหัดนะ่ะมันไม่ติดเลยนะมันเนื้อดีเหมือนผ้าเนื้อดีๆไม่ค่อยเปื้อเพลือเ ป, อเปอนซึมซับ กาเนื้อดีกาเก่าเขาเรียกว่าฉินขันสมาธิขันปัญญาที่ขันถ้าศินธรรมดาเนื้อไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเป็นฉินขันแล้วเนื้อดีู้จากหมายขันน่ะขันคือผ้าดีพื้นฝันพื้นขันมันคืออะไรูร้จากไหมคนสมัยเนี่ยเขาว่าผ้า เพื่มขันเนี่ยไม่เป็นไรคำว่าขั น, นไม่ใช่ขันห้านนะเืมขันามาทอผ้าเพืมไม่ขันทอผ้าได้เนื้อผ้าไม่ค่อยดีถ้าเพื่มขันมาทอผ้าได้ผ้าเนื้อดีใช่ไหมฮะแนนว่ไหมเพี่ <Yeah. S 1> อนเ <Yeah. S 1> <laughs> ฟืมขันมาทอผ้า ได่ผ้าเนื้อดีห่อน้าได้ทอผ้าสลงทอผ้าไหมเฟิ้มขันเนื้อมันดีไม่ไม่ไมค่อยเปืดเปื่อนง่ายไม่เหมือนผ้าเนื้อไม่ดีอะไรก็ซึมซับได้ง่ายมันพัฒนาขึ้นเหมือนมุ่งหลงหลงตาเนี่ยก็เริ่มมุ่งแฝ เอาเป็นมุ่งร่มของทหารสมัยสงครามโลกสมัยสงครามอินโดจีนเอาทิ้งโคมไฟลงให้มันสว่างเพื่อปราบการก่อการลายอยู่ในป่าให้เห็นไปหมดเลยเอามาทำเป็นมุ่งเวลานอน เดินเท้าดองนอนในป่าในท้ดงฝนตกเมื่อนอนอยู่กับดินแล้วก็นอาฝนกับดินแล้วก็ถูกหมูง อ, อเปื่อนเปื่อนแล้วก็สักง่ายเอาไปใส่น้ำไหลออกหมดไม่ซสมซ้ำมัพถ้าดีจิตใจที่มันดีที่มันฝึกมาฝึกมาฝึกมาน่ยมันเนื้อดีเหมันกัน้ำ ไม่เพื่อนง่ายการเพื่อนคือพอใจไม่พอใจคือใจที่มันเปื้อนถ้าใครพอใจไม่พอใจด้วใจเพื่อนง่ายจึงจึงหัดตรงนี้กันนะ mm. เวลาเรามีสติมันได้หัดตรงนี้กันจริงๆนะมีไหมกำลังยกมือเคลื่อนไหวมีสติยกือ การเคลื่อนแขนอกการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกเแตนที่รู้ตรงนี้มันชิดไปอย่าหลงตรงนี้นะเอาดีๆสักหน่อยบางทีเราหลงสิบครั้งไม่ันจะดีได้ถ้าคนใส่ใจถ้าคนไม่ใส่ใจก็หลงอยู่เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยดีดีบางทีจะได้ความหลงเยอะแยะเลยให้ความหลงเกิดขึ้นขณะที่เราทำความเพียร มีมอนกันนหนวาางคนามลาทำความเพียรในหน้าบูดหน้าเบิง่งหมกมุ่นคุ้นคิดคิดมากเวลามีสติความคิดเอาไปหมดเลยเหมือนโบราณท่านว่าอาจารย์มหาจันทร์เมตุโมงเชียงใหม่เขียนไว้ว่าอาจาร์แทนอ ดักใส่ใบกางนาได้นกเซลอาศัยฉันทะนอดักแข้วตั้งต้นไม่ได้ปลาขาวเป็นไปได้ไหมดักใส่ไว้กลางหน้าทําได้เนยทำไมได้นกเซลรู้จักนกเซลไหมดักแข้วบนต้นไม้ได้ปลาขาว มันคืออะไรอาจารย์หงายอาจาร์พระเทลอาจาร์วัดตัวมงเขียนไว้ที่ปากกุมมงเชียงวดเชียงใหม่ไปอ่านดูก็ได้ดักใส่ไว้กลางนาก็าหวังเอาปลาแอบไม่ได้ปลาได้นกเซลนกเซลคืออะไรฮะรูจักนกเซลไหม เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีนกเซลมีแต่ไม่เค่อยลองไม่ค่อยขันแต่ก่อนนกเซลอยู่ที่วัดนี่เยอะพูดกันหมือนคนนะจ้องจ้จ้องจกันเดี๋ยวนี้ไม่มีนกไม่ขันไม่พูดกันแล้วนกเซลนั่นเป็นอะไรไม่รู้มันชีวลิลกก้ลอเมเพี้ยนไปโลกมันร้อนเพิ่มขึ้นอะไรก็เพี้ยนไป มากมาดักแขี้วไว้ดักใส่ไว้กลางนาได้นกแซลเวลาเราดักใส่ต้องการปลาเวลาเรามีความเพียรต้องการมีความรู้มันได้ความหลงอันนั้นเลยว่าได้นกแซลในความหลงบางคนก็ให้ความหลงขอบผิวไปแต่ความเพียรเดินจงกรมชั่วโ ม, มงหนึ่งถ้าเดินพอดีพอดีวินาทีละเก้า ต่ได้สามพัหนหกร้อยเก้าสามพัน่ก้อยูที่เรือนจงกรมอยู่เรินที่จะได้ความรู้สามพันหกร้อยู้ไม่ได้เลยได้นกแซวได้ความหลงเกิดขณะที่เราทำความเพียรนั้นมีเหมือนกันให้อายตรงนี้อายความหลงเอามือลูบหน้า อ, อกกันเีอมัน มันจะได้ชื่นใจมันจะกระตือรือร้ น, นตรงไหนที่มันจุดด อ, อนเข้มแข็งชักหน่อยตรงไหนที่มันกระด้างกระเดียงให้อ่อนโยนชักหน่อยก็อฟืดก่อเฟียดตัดสินใจง่ายๆเวลาจะเวลานั่งทําความเพียรอยู่มันจะลุกกดลุกไปเลยมันแขงมันน่ะ แข่งกระด้างเกินไปเวลามัจะลุกก็อย่าลุกไ ง, ไง่ายๆให้มีสติเข้าไปใส่ใจชักหน่อยให้ลูกแบบอ่อนโยนให้พอดีเหมือนแม่เรียงลูกอ่อนเวลาจับโลกวางใส่เปลให้อ่อนโยนชักหน่อยไม่ทิ้งใส่เวลาโลกเิ่งมาหาอย่าแข่งกระด้างอ่อนโยนรอบลูกอย่าง อย่างดีลูกจะไม่เจ็บแมนบอไม่เพี่ยนโอกรวบโ อ, บโอบกหรวอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชุกกันนะจะไม่เป็นลูกก็เจ็บได้บางคนเด็กบางคนเน่ยบางคนมาขออุ้มพออุ้มไปโูกร้องไห้เลยโูกน้อยร้องไห้เลยมันเจ็บมือไม่นิ่ม มือของเราที่ความเพียรนี่มันนิ่มๆ น, น, นะเวลาจะนั่งเดินอยู่มันรู้จึกตัวคิดจะนั่งก็คิดให้นั่งตามความคิดมันแข็งกระด้างจะแข็งให้แข็งเหมือนเพชรแข็งกับความไม่ดีตัดไปเลยแข็งได้อ่อนให้อ่อ น, ออนเหมือนไหมอย่าให้มันขาดง่ายระ ว, ว่างความ บลีบทชต้องสี่ยืนเดินนั่งนอนอย้ายมันขาดสติให้เหมือนไหมไอ้ความแข็งใช้ความอ่อนถูกกว่าละเทศะเวลามันหลงตัดง่ายๆเหมือนเพชรตัดกระจกแข็งเหมือนเพชรตาดง่ายๆอย่าให้อาลัยอาวรณ์ในความหลงความโกรธจะเด่ดนหามีรสชาติอาสาทะ สาธามีรสชาตินะอย่าอะไรตรงนี้ตัดไปเลยตัดไปเลยในพระพุทธเจ้าสมัยยังเป็นศิริธาตัดตรงไหนควรตัดตั ด, ตดออกไปมันคิดถึงเพียรพาตัดทันทีย่อมคิดถึงนะมีเมียพระคุณว่ า, วาเรามีลูกเราหุนเพ่เกิดใหม่ย่อมคิดนะ นอนอยู่วะชาสามรูมานอนอยู่ในป่าในดงในย่อมคิดนะตัดออกไปเลยเหมือนเพชรแล้วตัวแนวตอมชีวิตจิตใจเหมือนเพชรแข็งเหมือนเพชรในลานน่ตัดไปเลยไม่ใช่มานั่งคิดถึงเป็นพาเรามหาเสแวงโมฆะธรรมกลับมาลู่แขนเข้าเยื่อแขนออก คิดถึงรหลนกลับมาคู่เียงเข้ารูเชิญออกนี้ตัดไปได้ตัดไปตัดไปตัดไปอย่าอะไรอาวรณตรงนี้เกิดจากความคิดเกิดจากอะไรต่างๆที่มันหลงอย่าให้ได้นกแเซลดอกแค บ, บนต้นไม้ได้ปลาขาวต้นไม้คืออะไรมันไม่มีอะไร ทำแบบไม่มีอะไรว่างๆไม่มีอะไรไม่ใช่มียากถ้าเอายากเป็นเป็นความไม่ชอบเอาง่ายเป็นความชอบมันแห้งขากให้ความยากให้ความง่ายพาทำความเพียรให้ความขยันให้ความเกียดค้านให้ความขยันพาทำให้ความขี้เกียจพาหยุดไม่ใช่ อืให้ให้มันแห้งๆไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรม่ผิดก็ไม่เป็นอะไรอย่าให้มีร่องรอยความผิดมันผิดถูกก็ไม่เป็นไรอย่าไปเสียดายความถูกบางคนเสียดายอารมณ์ได้อารมณ์ดีๆมันเสียไปบางคนร่องให้นะโดยสงบมาหลายปีมันเกิดกิเลส ต, ตนณหาขึ้นมาเสียใจมาก ประเมินตัวเองทำความเพียรมาหลายปีไม่ค่อยได้ผลแล้วเป็นบาปเป็นกรรมไรเนองเออมาแค่อารมณ์พูดให้เราฟังน้องตาอะไรพูดว่าอา้าหมา น, ะนะน่ะคิ้เล็ดะมันหมาตัวนางนะ้าสติมันช่างจะวันไว้ทำไม หมามันเห่าช่างบันไบทําไมน่ไอ้ข้ามาันเหลือไปเสียใจกับมันเหลือเวลาเกิดขึ้นมาโอ้ยเราไม่ได้ประโยชน์เราบ้างเลยเพามันตื่นแล้วเหลือตื่นแค่นั้นหรือไม่ใช่ละ่ะเอาลองเข้มแข็งต้นหน่อยสู้เั่านหร่เปลี่ยนที่ตางใหม่ยืมได้เลยนะแล้วอ่นอนแอตรงที่มันทําไมกลัวก็กลัวไปเลยยิเดดมันมาจะตีมันช่าง นั่นเนี่ยใส่ใจนะมันดีดีนะชอบที่สุดสติภายในกายเนี่ยไม่มีอะไที่จะเป็นส่วนตัวเท่านี้คนอื่นนักเป็นส่วนคนอื่นอยู่เดี๋ยวนี้เราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นแม้เราอยู่คนเดียวเนี่ยก็เพื่อคนอื่นนอนเดีตามความเพียรไม่ใช่ลอาทาแล้ว บางทีก็ถ้าติดบุหรี่มาบุหรี่มันพาธรรมแต่หิวบุหรี่ก็บุหรี่มาสูบเออดีหน่อยหิวหมากก็หมากมาอมหิวดีหน่อยไม่ใช่ความเพียรพาธรรมบุหรี่มันพาธรรมมากพาธรรมบางทีก็เป็นอย่างนั้นตัดไปเลยแห้งไปเลยควมแห้งมันเชื่อมแข็งนะดักแห้ ง, งกวนตะ้นไม้ ได้ป่านะไม่ใช่ไม e <ia> ่ได้เลยไม่ได้ป่านะตัดไปเลยอดทนนะเวลามันปวดทนในความปวดให้ความปวดพออ่อนแดมันย่อมปวดเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาในเวทนามันทําให้คนอ่อนแดงแล้วมีจิตดีมันจะเข้มแข็งตัวแนอ่อะ เห็นกายเห็นเวทนามันมีเห็นจิตที่มันคิดเน่มันมีจริงๆน่ะเห็นทําได้มันเกิดขึ้นเป็นกุศลอกุศลง้อเหงาหอนมีจริงๆเ่ะมีอันเดียวเท่านั้นลูไว้ถอนออกมาถอนออกมาถอนออกมาเวลเย่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ กายมันจะหลงตรงไหนถ้ามันหลงตรงกายแล้วใคกุญแจได้อาจจะแช่ออกมาได้หลงตรงเวทนาจกทุกมีนะเวทนาเวทนาในกายมีหลงตรงไปที่มันกิดคิ ด, คดที่ไม่ได้ตั้งใจมีมาก ลบกวนว่าความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเนเรียกว่าเจ้าสังขารล้องไปกับธรรมที่มันเปิดเพื่อนอะไรมาเคยมีอะไรทำมันเปิดเพื่อนแบบไหนมาโตสัจรผลิตราคาจริตโมหิจริตแล้วก็เปิดเพื่อนมาอันมีจลิตมีนิสัยมามันจะมันจะมันจะ สวนทางกันแล้วก็ง่ายที่จะไปคิดกับความเคยชินมันก็บอกค้นบอกค้นมามาแล้วก็บอกค้นเดี๋ยวเห็นทมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำถ้าไม่หลงสี่ด่านเนี่ยไปได้นะมันมันเป็นด่านกักขัง ไม่ให้จเจริญก้าวหน้าไม่ผ่านได้เนี่ยเอาเนี่ยกรรมฐานเนี่ศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์ที่เดียวแรงไรกรรมมาศักดิ์สิทธิ์วนตัวส่วนตั ว, ว, ต ว, ว, ตวออยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับหมู่ก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้คนอื่นท่าไปหลงไม่หลงคนที่ทำไม่หลงมีได้เหมือนกันเน จะเข้มแข็งดีถ้าอยู่คนเดียวไม่หลงก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่อยู่กับคนอื่นคนอื่นทําให้หลงไม่หลงเคยฝึกตัวเองตอนใหม่ๆไปบินเบาทาตะบาร์ลกชวนผู้ชวนคยุยเขาเขาหลงเราก็รู้โอ้เพื่อนก็เราหลงไปแล้วแล้วก็ไม่หลงเราจะไม่หลงเหมืนอนเขา สอนตัวเองขณะที่เพื่อนหลงบางทีเพื่อนเราก็รู้ชวนคุยทำไมเออขณะที่เพื่อนเราก็มาแล้วเราก็รู้ตัวเราเป็นเกนเราดูเราแต่ลูกคนอื่นเพราะมันเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เหมือนกันคนหนึ่งหลงแบบหนึ่งคนหนึ่งหลงแบบหนึ่งกันชื่อว่าหลงเหมือนกันหมดชื่อว่าโกรธก็เหมือนกันชื่อว่าทุกข์ก็เหมือนกันมันมีอยู่ในเรา เราก็หัดตัวเราตอนที่ไปบินทบาทเวลาเพื่อนหลงหัดทุกกรณีึ <c oughs> ่งทีเพื่อนก็หลงมากๆทํทำให้เราได้ได้บทเรียนเราจะไม่เป็นเหมือนเพื่อนบางทีก็หลวงปู่เทียนพาไปสอบอารมณ์ เห็นนักปฏิบัติหลงหลวงพ่อเทียนก็สอนก็เลยบอกหลวงพ่อเทียนว่าหลวงพ่อผมไม่หลงแบบนี้ครับมันจะหลงได้ไงเรามีสตินี่ล้วบอกเขาไม่มีสใช่ใช่ใชผมไม่หลงแบบนี้ได้บทเรียนไว้ไม่หลงเด็ดขาดในคนที่คนหลงไม่ทุกเด็ดขาดในสิ่งที่คนทุกไม่โกรธเด็ดขาดในสิ่งที่คนอื่นโกรธ มันจะร่วงคนต่างเก่านะปฏิบัติทํแนวมันเลื่อนชั้นเลื่อนฐานะมันเปลี่ยนได้มันทำได้ปฏิบัติได้มันปฏิบัติได้จริงๆเวลามันหลงรู้เดี่ยมันสิทธิรู้เปอเ็นตเวลามันทุกรู้สิทธิของเราเวลามันโกรธรู้มีสิทธิตรงนี้นี่คือการปฏิบัติมันจักสิทธ เป็นความถูกต้องอยู่โดยชอบที่สุดไม่ต้องมีอะไรมากเพียนหลงเป็นลูกไปเถอะหาเรื่องให้มันหล ง, งก็ได้วกันเลยวเรานั่งทำกับเปลี่ยนเนี่ยมันต้องหลงตรงนี้ไปซอกขาที่นมันมาเองได้อยู่เฉยๆก็ ม, มาเองมาสอนหลงหมัน นิทานขบวลานอยู่ซื้อซชิ้นก็แเรียนมาหาอยู่ซื้อซป่าก็แเรียนมาสูอยู่ซื้อซื้อชิ้นเลียนมหาอยู่ซื้อซื้อป่าเลียนมาสูรู้จักไหม <laughs> อยู่เฉยเฉยก็มีอะไรมาให้อันปัญญามันได้จากตรงนี้นะไม่ใช่ไปเรียนในสถาบันที่ไหน มันมีอยู่ในกายในใจเรานี้จนเป็นสูตรทำให้เกิดตารตัตจรูปไปสนสาวก ต, ต้นมีเท่านี้ต้นต้นต้นพุทธเจ้าต้นที่พุทธเจ้าเกิดตรง น, นี้ตัดจรูตรง น, นี้แล้วเนี่ยเอาเถอะเพวิเรางโศกคนคนอื่นก็เหมือนกับสอนหลง สอนเราก็เหมือนกับสอนคนอื่นอันเดียวกันแท้ๆ <c oughs> ไม่มีการต่างกันเลยในโลกเนี่ยอง์หาจนะถ้าใครปฏิเสธตัวนี้ก็เท่ากับปฏิเสธตัวเองให้เขาสัมผัส ด, ดูเราสัมผัส ด, ดูภาวะที่รู้เนี่ยในไปสอนคนจีตเนี่ยเขาก็เหมือนเรา้ายๆก็มันกันหมด มีความรู้สึกเราหรื้ใดก็อสาไทยเรว่ารู้สึกตัวก็อสาบาลีพระพุทธเจ้าเราสติสมเจริญยาวกสาจีนว่าอะไรเขาบอกอยู่จําไม่ได้ก็อสส่าฝรั่งเอาเวอเอาแวอก็อสาจีนว่าอะไรสามใจ้านวด มีอันเดียวกันคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนแน่นอนละขอท้าถายพิสูจกันตรงนี้นะแล้วมันเป็นการ ค, คบคบบ่งจอดละถ้าเราเริ่มจากความรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันไปถึงที่สุดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด เหนือการเกิดเจ็บตายนะเหมือนอาจารย์ว้ไลลังในการบรลุธรรมจากอาจารย์องค์ที่ห้าสังาปฏยรุปกรณ์ที่ห้าเป็นโยมนะยังไม่ได้บวชนะบรลุธรรมจ น, นได้เอกลักษณ์เป็นส่วนตัวว่าไม่อยู่ที่ใดไม่ได้อยู่ที่ไหน ไม่ได้อยู่อะไรไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนแล้วไม่ได้เป็นอะไรจรึงค่อยมาเขียนสโลกได้เป็นสังฆาโยกองที่หกจึงไปขบวดัดตังตาไปดูกับจารย์นดวัดของท่านที่อาจารย์เทศสอนอ สังคะปายกุล์ที่ห้าสอนเรื่องนี้สังคะปายกุล์ที่หกนั่นคือตัวท่านเองเฮ้ยหลางเพราะไม่เป็นอะไรไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงไหนไม่ได้เป็นอะไรเห็นไม่แต่เห็นไม่แต่เห็นไม่เห็ น, เ, หนเนี่ยกันเห็นกันเห็นเนี่ยมันก็ผ่านได้ตลอดด้วย ม, มูดนะถ้าเห็นแเราก็หลุดพ้นนะ มันไม่ใช่เรื่องไงเร็วๆนะทัานเห็นเนี่ยเอาเถอะสร้างดวงตาภายในตาภายในมันเห็นเห็นแล้วมันไม่เป็นตาเนื้อมันเห็นแล้วมันเป็นตัวธรรมเนี่ยรักษาใจรักษาใจยารักษากายมีคู่กันแบบ ธรรมะรักษาใจมีคำถามเวลาเราไปสอนธรรมที่บางกินเขาถามว่าปฏิบัติธรรมมันมันรักษาโลกไปใข้เจ็บได้หรือลองลองตามาว่ารักษาธรรมะรักษาใจอย่ารักษาโลกไม่มีโลกกายโลกใจอ่ารักษาโลกใจนี่ยได้เหนือการไข้เจ็บตาย รักษาโลกกายได้ก็ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บยังมีการแจ่การเจ็บวันตายในในอารมณ์ในอายนาตนะการมีสติมันรักษาโลก่ายเหนือการเกิดเจ็ บ, จบตายเบื้องต้นรำกลางที่สุดนี่ให้ทากันศรัทธา มีพากันมีความเพียรประกอบพาการใส่ใจแล้วก็มีเหตุมีผลอย่างู้งเ้าวต่อตัวเองอย่าหลงต่อตัวเองเวลามันหลงอย่าให้หลงเป็นหลงให้หลงเป็นรูคือไม่งู้ต่อตัวเองเวลามันโกรธอย่าให้โกรธเป็นโกรธให้โกรธเป็นรูเวลามันทุกข์ใหญทุกข์เป็นทุกข์ให้ทุกข์เป็นรู เวลามันเจ็บจะให้เจ็บเป็นความเจ็บให้เจ็บเป็นความรู้เวลามันแก่จะให้ความแก่เป็นความแก่ให้ความแก่เป็นความรู้เวลามันตายอยากให้ความตายพาให้ตายให้ความตายเป็นภาวะที่รู้มันเปลี่ยนไปได้เนี่ยนะถ้าได้รู้เราได้ดูเราไม่มีอะไรจึงไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรนั่นอา้าวสมควรเจริญเวลากราบก็้าพ่อขกัน